ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประพติยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจเจเวคขณะสมาธิธในชุดทะปินหาปัจเจเวคขณะก็มาโดยลำดับก็ถือว่าเป็นปริยายแห่งธรรมะที่ที่นำมาที่บายขยายความออกไปโดยพิสดารเนี่ย คือที่จริงในการนำเสนอธรรมะนั้นเราจะจับในตรงไหนขึ้นมาขยายก็ได้ในภาคสนามก็จะมีความเชื่อมโยงถึงกันเองในข้อที่10บนั้นทรงใช้คำว่าบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเมื่อเพื่อนบนรรพชิตถามในการภายหลัง ก็เป็นหัวข้อที่เคยบื้อหวากันมาสมัยหนึ่งแต่ท่านผู้ฟังมองย้อนไปประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะก็เรียกเรียกว่าประมาณปศ 2,518 เป็นต้นมามันได้เกิดเหตุการณ์ยังหนึ่งขึ้นก็มีพระที่บวชมาถูกต้องรูปหนึ่งนี่แหละ แล้วท่านเกิดประกาศตัวเองเป็นพระยบุคคลเป็นพระโสดาบัาง้งอาณาคาร์บ้างบางทีอ า, หารหัน บ, บ้างอาทีรานตสาวกบ้างอะไรก็ก็ประกาศไปเรื่อยๆก็มีการท้วงติงมีการห้ามปรามมีการตักเตือนกันเพราะถ้าหากว่า คุณพิเศษเนี่ยคําว่าคุณพิเศษหรืออุตริมนุสธรรมเนี่ยมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างสื่อสารยากเพราะคําว่าอุตริในความหมายคนสาวบ้านเนี่ยคือไม่ดีใครก็ตามก็ทําอะไรอุตริก็ถือว่าทําไม่ดีแต่อุตริมนุสธรรมมันไม่ใช่มันหมายถึงว่าธรรมที่ผิดปกติวิสัยสมบับสามันมนุษย์ที่จะสามารถสัมผัสได้ หมายความว่าพอท่านสัมผัสได้ท่านก็ไม่ใช่สามัญชนแล้วแต่ในการนับเนี่ยแต่ในการบอกอนุสาสตร์ของอุปชายะบอกแก่พระที่บวชใหม่เนี่ยมานับตั้งแต่ข้างล่างอากมากๆ mm. ก็เรียกว่าอันธัมโซสุญญาการเรียพิรมามีติโดยที่สุดแม้กล่าวว่าเข้าไปเจ้ายินดีในที่สงัดโดยประสมเฉพาะ ประสงค์จะบวชเนี่ยก็ะจะอวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาดจากความเป็นพระแต่ท่านนับทั้งฌานสมาธิฌานวิโมกวิมุติอะไรต่างๆเนี่ยพูดไว้ตั้งแต่สมาธิฌานขึ้นไปกที่จริงมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเป็นการพิสูจน์ทดสอบกันอยู่ในตัวนะทุกคนไม่ได้สังเกตู คือคนถามว่าเราโอ้อวดอวดอะไรก็ตามอวดความดีโอวดทรัพย์โอวดความรู้โอวดฝีมืออวดความสามารถของเราเนี่ยถามว่าอวดไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนอื่นเขารับรู้ว่าเราเก่งอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้สกุลเราเป็นอย่างนั้นเลยอะไรไอ้จิตมันเป็นยังไงคือเราจะเห็นว่าจิตมันโลภนะคืออยากได้อยากได้การยอมรับนับถือการยกย่องสรรเสริญ การได้สักการะชื่อเสียงต่างๆก็แล้วแต่ผนสรุปว่าถ้าคนมีดีจริงเนี่ยเขาจะไม่อวดคนอวดก็แสดงว่ามีไม่จริงแต่ว่าในหมู่พระรยะเองเนี่ยฮะท่านเวลาบรรลุแล้วเนี่ยที่จริงท่านเปล่งอุทานได้นะท่านประกาศท่านยืนยันสฐานะของท่านได้เพราะนในแง่ของ ภาคสนามจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้อวดแก่อนุปสัมบัตคือไม่ไม่ไม่อวดแก่ชาวบ้านแต่จะบอกกล่าวปฏิญาณแกเพื่อนสัพพมาจารีเนี่ยก็ได้อยู่ทีท่านรูปเนี้ยท่านก็ถือว่าท่านอวดได้แล้วก็อ้างข้อเนี้ยอ้างข้อเนี้ยว่าเมื่อมีคนถามก็อวดได้ก็แสดงได้แล้วมันก็ไปขัดกับประชิกข้อที่สี่ ที่จริงข้อ น, นี้ท่านอธิบายไว้ชัดเลยเป็นการพูดถึงก่อนที่เราจะตายจะมีเพื่อนอย่างคนเฒ่าคนแก่ตายญาติพี่น้องตายเราจะบอกพุโทโธอระหังอะไรแต่ไรเนี่ยคือเพื่อให้จิตใจสงบผลเวลาพระภิกษุเราจะตายจะมรณภาพเนี่ยจะมีเพื่อนกระตุ้นเตือน ว่าให้ดูที่ว่ามีคุณพิเศษอะไรอยู่หรือบ้างไปในจิตใจเนี่ยตั้งแต่บวชมาได้บรรลุคุณอพิเศษอะไรหรือไม่ถ้ายังไม่มีก็รีบเร่งขึ้นนะนะคืออย่าให้ตายเปล่าพูดง่ายๆบ่าเป็นการกระตุ้นเตือนไม่ให้ตายเปล่าเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีคุณอพิเศษอะไรเราจะเขินเราจะกระดากอายได้จิตใจจะขุนจะไม่มีความสมบุบ แล้วถ้าก็เตือนให้พิจารณาตัวเองว่าคุณพิเศษที่ยิ่งกว่ามนุษย์สามัญที่เราจะบรรลุเนี่ยคือหมายความว่าตั้งแต่สมาธิฌานอะไรเป็นต้นไปนะครับเรามีอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีมันก็รีบเร่งทำในขนะนั้น คือไม่ได้หมายความมาต้องบอกหรือไม่บอกท่านก็ให้ในัยยะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันรู้กันว่ามีหรือไม่มีเพื่อนเพียงแต่กระตุ้นเตือนนะฮะแต่ว่าเราเองไม่จำเป็นต้องบอกหรือไม่บอกก็ต้นเตือนเพื่อให้สำนึกสำเหนียกที่จะไม่ตายเปล่าเท่านั้นเองท่านก็จะได้สติก็รีบเร่งประการบรรุมรรคผลที่จริงมันเป็นเสี้ยววินาทีแ่นั้นเองนะ จะนับเป็นวินาทีมันก็ไม่ได้เป็นขณะจิตเดียวแต่นั่นเองระหว่างอริยมรรคอริยผลมาปั๊บเดียวแต่นั้นไปได้รวดไปถึงนอนแล้วคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับเราจุดไฟนะฮะเปิดสวิตไฟปั๊บแสงสว่างเกิดปุ๊บความมืดหายปั๊บสิ่งตังางยปรากฏนี่มันต่อกันไปไงั้นน่ะพรวดเดียวเงียถามว่ากี่วินาทีละ่ะมันก็ ไม่รู้คือนับไม่ทันตอนการเกิดขึ้นของญาตัวความรู้อาจจะเรียกว่าวิปัสนาญาณอาจจะเรียกว่าจักขุอาจจะเรียกว่ายาณอาจจะเรียกว่วิ ช, ชาเรียกว่าอะไรก็ได้นะเรียกชื่อได้เยอะเวลาก็เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำลายกิเลสออกไปเพราะในใจกระตุ้นเตือนตรงนั้นเป็นการให้ตรวจสอบตัวเอง ว่าเวลาเพื่อนถามเนี่ยจะเก้อเขินหรือไม่เกิอเขินแต่เราไม่เกิอเขินเรามีคุณธรรมอยู่ก็อาจจะรีบเร่งทำให้มากขึ้นไปกว่านั้นคือในแนวคนระดับเป็นพระยะบุคคลรอมองภาพของเการสมัยหนึ่งจึงสื่อว่าเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ในกรุงโคสัมพีนะครับคือปะนังสามาวดี มายสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงมโกสัมพีพร้อมด้วยบริวารซึ่งเป็นประยะบุคคลทั้งนั้นนะประมาณห้าร้อยก็ถูกตัวปุโรหิตคือมาคันธยาพรามปุโรหิตไปหลอกขังไว้ในปราศาสตร์แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างข้างนอกหมดไม่ให้ออกมา แล้วก็สูงไฟเผาครอกทั้งปราสาทคือทันที่ท่านจะตื่นสนุกตกใจท่านก็ไม่ได้ตื่นสนุกตกใจอะไรทุกคนก็นั่งลงเจริญสมาธิภาวนาให้บรรลุมรรคผลสูงขึ้นไปคือทุกรูปเนี่ยทุกท่านเนี่ยเป็นประสวดาบันอยู่แล้ว วันตอนไฟไหม้อยู่เนี่ยกว่าไฟจะไหม้กว่าท่านจะตายเนี่ยท่านก็เปลี่ยนมรรคผลไปได้เรื่อยๆบางคนก็ไปถึงพระอนาคามีบางท่านอาจจะบรรลุอารหันต์โดยซ้ําไปนะเรื่องกรรมก็ก็ทําหน้าที่ของเขาอดีตกรรมก็ทําหน้าที่ของเขาไปปัจจุบันกรรมเราก็รับผิดชอบกันเราไปก็ต่างคนต่างก็อยู่ก็ว่า ก, กันไปก็ไม่ตื่นสนุกคือจะไม่กลัวปาระโลก เพราะแ น, นตวตนี้เราไม่พูดไกลจนถึงมรรคผลก็ได้นะคเราพูดถึงคนสามัญทั่วไปเนี่แหละ ก, ก่อนจะตายเนี่ยเพื่อนก็บอกให้นึกถึงบุญถึงกุศลเรื่องอะไรยังใดยังหนึ่งที่เรียกว่าเป็นกรรมอารมอารมณ์คือกรรมมากระตุ้นเตือนถ้าเรานึกได้นะฮะจิตมันไปเกาะอยู่ที่กุศ ล, ละกรรมได้ มันก็เป็นกรรมนิมิตตารมเป็นคตินิมิตอารม์จิตมันก็เดินก็ไปในกระแสของบุศลไปถ้าไม่เกิดอาการผ่องแผ่วขึ้นภายในจิตแต่แล้วก็บังเกิดในสุ ก, ต, ต, ส ก, ต, ต, สกติตามที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อจิตผ่องแผ่วก็หวังได้ว่าตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกติเพราะ ง, งั้นถ้า คนได้สำนึกสำเหนียกเอาไว้แล้วก็มีความตื่นตัวพร้อมที่จะทําใจตัวเองถ้ามีอยู่แล้วก็พยายามรักษาไว้แล้วก็เพิ่มขึ้นถ้ายังไม่มีก็รีบเร่งเพราะความตายกบลังคืบคลานเข้ามาทุกขณะทุกขณะที่ท่านเล่า ว, ว่าภิกษุบางรูปเนี่ยในสมัยพุตการคือัอนแยกย้ายกันอยู่ในป่าบางก็น่าสยองนะครที ก็มีงูมากลืนบ้างมีเสือมากัดลากไปกินบ้างอะไรใจเนี่ยเดี๋ยวท่านก็พยายามเจริญวิปัสนาในตรงนั้นเน่ะในอยู่ในปากงูในเข้าไปกลืนงูก็กลืนก็กลืนกันไปท่านก็เจริญวิปัสนาไปแล้วก็บรรลุมรรผลได้คือท่านจะไม่ยอมทําบาปศีลสมาธิปัญญามองก็เกิดหนุนเนื่องกันไป มีลักษณะเหล่านี้ก็มีปรากฏในพระบาลีนี่มีเยอะแสดงว่าท่านเหล่านี้ฝีมือไม่ใช่ธรรมดาเราโดยสรุปก็คือว่าแนวปัจเบคขณะสมาธิิเป็นแนวของการใช้ปัญญาทั้งหมดเป็นปัญญาพิจารณาเจาะจงเฉพาะกรณีแล้วก็หาประโยชน์ไ ด, ได้ตามสมควรแกรณีนั้น เมื่อเรามองโดยสรุปก็หนึ่งก็เป็นสภาวธรรมสองก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่สามก็เป็นเรื่องกุศลอกุศลที่เราจะต้องรับผิดชอบโดยการงดเว้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแต่วิธีสื่อสารนั้นจะสื่อสารยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งดึเงเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องอริยสัจสีนั่นเอง เพียงแต่ ว, ว่าเป็นโวหารยักย้ายเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารหยิบแง่มุมต่างๆขึ้นมาสื่อสารเพื่อบุคคลได้สนักสำนึกสำเนียดที่จะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะควรแก่สถานะของตนแล้วก็กรณีของอารมณ์หรือสิ่งต่างๆที่เราต้องไปเกี่ยวข้องสัมผัสในขณะนั้นๆ ซึ่งหลักการตรงนี้เป็นหลักการที่สำคัญถ้าเรามองให้ดีว่าการปฏิบัติในชีวิตของคนเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงอยู่กับสับริธรรมเจ็ดประการเนี่ยหมายความมาทุกคราวเนี่ยต้องครบทั้งเจ็ดข้อเช่นสมมติว่าเราจะบรรยายในเรื่องหนเรึ่งหงรือว่คุยกันธรรมดาธรรมดานี่ มันจะต้องรู้จักเขตรู้จักผลรู้จักตนรู้จักความเหมาะความควรรู้จักกาลเทศะรู้จักกลุ่มคนบุคคลเนี่ยตลอดหมายความว่าต้องสอดคล้องกับกาลเทศะเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยยังยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าตรงนั้นแหละไม่เหมาะแก่กลุ่มคนไม่เหมาะแก่บุคคลไม่เหมาะแก่เวลา มันก็ทําไม่ได้พูดไม่ได้เรื่องเหมือนเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะที่เราจะพูดเรื่องบางเรื่องได้พูดแล้วมันมีน้ําหนักนะอย่างตัวอย่างในสมัยก่อนที่อามามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเวลาปัญหาบางอย่างเนี่ยเราไม่มีวาสนาบารมีไปพูดเรื่องกระหนังนั้นได้โทรศัพท์ไปบอกหลวงพ่อปัญญาอนัน t ะบอกว่าหลวงพ่อพูดเจอเรื่องเหล่านี้ ผมยังไม่มีบารมีพอที่จะพูดเรื่องเหล่านั้นได้เพราะเราก็ต้องรู้จักตัวเหมือนกันว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นสิบสิบปีนะฮะเราจึงจะพูดได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอัดตันอยูตาเนี่ยเรารู้จักตัวเราว่าเราพูดยังไม่ได้ยังไม่เหมาะไม่ควรที่เราจะพูดเรื่องเหล่านั้นยายามีความรู้สึกเพราะเวลาเขาถวายพระเนี่ยถวายเหมือนกับค่าจ้างแรงงานเรารู้สึกอึดอัด แล้วตั้งแต่วบวชมาเราก็มีความรู้สึกนะว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องถวายอย่างนั้นมันไม่ใช่การจ้างแรงงานเนี่ยนะทําไมเกิดแบ่งแยกล่ะทําไมมีความรู้สึกเป็นเราเป็นขาล่ะเมื่อต้องการจะทําทบุญก็ทําไปที่ทางกับพระนักกีจะถวายอะไรยังไงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเราก็พูดไม่ได้เพราะเราเป็นผู้น้อยมันก็ถูกถวายน้อยนะก็ทําให้คล้ายๆกับสแสดงความโลภ หรือแสดงความริษยาออกมาประมาณถึงปีหนึ่งเนี่ยฮะอยู่ต่างจังหวัดเราก็เป็นประธานครองกฐินเองเลยคือใหญ่ที่สุดในตรงนั้นยาโดงก็ถวายในลักษณะนั้น่ะแบบค่าจ้างแรงงานครองกฐินนี้ได้เยอะเลยอ่าแล้วองค์อภโขกฐินองค์สวดกฐินอะไรแต่ก็ลดหลั่นลงมาจนถึงพระภิกษุสามเณรอะไรก็น้อยลงไปเรื่อยๆนียเลยก็จับไมโครโฟนพุกโยมเลย บอกการทาบุญนี่ยโยมนะคือจิตใจจะต้องเสมอในบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่เขาเรียกสังฆทานนะคือใจมันเสมอไม่รู้สึกแบ่งแยกเป็นพระหนุ่มพระเกา่าเป็นพระเล็กเนนน้อยะะอะไรจะใดเนี่ยไม่รู้สึกแบ่งแยกก็เป็นการถวายทานแก่สงฆ์สงฆ์นั้นจะเพิ่งบวชในขณะนั้นก็ได้หรือบวชมานานก็ได้ก็ไม่แปลกอะไร คือทำใจให้เสมอกันไอ้ตรงนั้นเราก็พูดได้นะเพราะว่าเราเรามีโอกาสจะได้มากกว่าคนอื่นแต่เราก็ไม่เอาแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่จะให้สติแก่ยโยมแต่ว่าพอเราอยู่ในฐานะอื่นเราก็พูดไม่ได้อีกพอจะพูดมันก็ต้องพูดแบบเล่าอย่างเงี้ยก็เป็นนัยยะให้รู้กันว่า อาการเหล่านี้แม้ในปัจจุบันมันก็ยังเป็นอยู่คือถวายพระแบบค่าจ้างแรงงานเอ่อาสมานาสักสูงสูงก็ถวายมากๆนะฮะมีชนชั้นมีสักดินามีอะไรต่อมี่อไรเนี่ยคือแสดงว่าใจมันมีความยินดีในบุคคลความยินร้ายในบางคนแต่ตรงนี้ที่จริงเราต้องการฝึกจิตเรา เราต้องการทำใจเราให้ประณีตมันก็ต้องรักษาคุณภาพใจเอาไว้คุณภาพจิตเอาไว้แต่เราสังเกตว่าอาก็จริงไม่ใช่เรื่องําได้ง่าย่างทั้งที่เป็นเรื่องพื้นๆโดยทั่วๆไปเนี่ยแานแนวตัวนี้จึงใช้เป็นแนวตรวจสอบตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองทั้งหมดคือเพื่อนบนรพชิดมีหนะ้าที่ถามและเราหาคาตอบของเราเอง เองแต่ว่าทํำยังไงตัวเองอย่าเขินแหละอย่าเก้อเขินเวลาเพื่อนก็ถามเนี่ยศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงเมตต า, าเป็นยังไงกรุณาเป็นยังไงอะไรเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นชาวพุทธทั้งทีหนึ่งอย่าถึงก็ตกนรกก็แล้วกันนะนะก็ปิดประตูนรกให้ได้ซะหน่อยให้มีความมั่นใจว่าด้วยผลของทานด้วยผลของศีลด้วยผลของภาวนาในแต่ะระดับเนี่ย ช่วยให้ไม่ตกนรกได้ถ้าเป็นพระก็ตกนรกก็ที่จริงก็เสียเชิงมากเหมือนกันบางทีก็อย่างเรายกตัวอย่างอย่างนี้่พระ้าปาตาิสิกับมานพซึ่งเป็นบริวารของท่านเนี่ยปรากฏว่า เวลาตายไปเนี่ยบริวารเนี่ยอยู่วิมานสูงกว่าตัวเจ้านายเนี่ยอยู่ที่เสิสกะวิมานว่างเพราะว่าใจท่านไม่เต็มร้อยหมายความว่าทำบุญก็ทำแกล้งไปอย่างนั้นเองของที่มาบริจาคทานก็ของหยาบๆของไม่ประนีตอะไรในรูปของเรียกว่าทาสถานเนี่ย กานั้นพอเรามาม า, ม, ามองโดยสรุปเราจะเห็นว่าเป็นการกระตุ้นเตือนสํานึกถึงสถานะคืออัตตานุตายรู้จักตัวเองเราเป็นใครมีฐานะมีหน้าที่อย่างไรและควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่เราเหมาะควรแก่สถานะแก่หน้าที่ตรงนั้นข้อหนึ่งบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งว่าเราถึงความมีเพศต่างจากเคราตดแล้ว อาการกิริยาใดๆของสัมมนาเราก็ควรทําอาการกิริยานั้นๆาการที่สองบรรพชิตควรพิจารณา น, นเนืองว่ า, าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวเขาเลี้ยงง่ายบำ ร, รุงง่ายข้อที่สมบรรพชิตควรพิจนารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ข้อที่สี่บรรพชิตควรพิจารณานเนืองว่า ตัวเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ข้อที่หบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเพื่อนสัพปะมจารีที่เป็นวินญูชนพิจารณาใครควรดีแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่แล้วข้อที่หกเพิจารณาถึงการพรากข้อความเหมือนเดิมนะบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพ ร, พรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไป แล้วข้อที่เจก็บรรชลุควณพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีกรรมเป็นขอ ง, ของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอนไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นข้อที่8ดก็พิจารณาการเวลาบรรชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัด น, นี้เรากําลังทําอะไรอยู่ ข้อที่เก้าพิจารณาถึงสภาวะของจิตคือนักบวชเนี่ยหรือพูดไว้ง่ายว่าชาวพุทธเราเนี่ยก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนั่นคือเอกลักษณ์หรือสันดลักษณ์ของความเป็นนักบวชไม่ใช่คือความเป็นชาวพุทธ น, นะนะริการยินดีจากความสงัดเนี่ยยินดีในความสงัดสถานที่สงัด แล้วสงดจากกายทางกายทางวาจาไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายนี่เรียกว่าอนุปวารูอนุปการทูเนี่ยจนถึงสงบอย่างน้อยก็ไม่ถึงสงัดชิงเชิงสงบสยบหรือสงบเนี่ยจากกิเลสอย่าลุ้อำนาจแกกิเลสมากเกินไปเราก็ไม่บอกว่าเราหมดกิเลสหรอกแต่ว่าคือทำยังไงวายใจกิเลสมันมากมากเกินไปน่าเกลียด แล้วว็ในการต่อไปก็ดูความเปลี่ยนแปลงไปในจิตตัวเองคือไม่ใช่ดูก่อนตายสาหรับเราเนี่ยนะดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก่อนตายเนี่ยเพื่อนฝูงเพื่อนสพัพพมจาลีลูกศิษย์ลูกหาอาจจะก็ต้นเตือนอาจจะสักถามเพื่อให้เราดูว่าไอค้คนพิเศษของเราเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยระดับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันมีบ้างหรือไม่มีพอที่จะปิดประตูนรกได้ไหมมีพอที่จะให้บันเทิงในสวรรค์ได้หรือไม่นะอย่างที่พเจ้าทรงสแสดงเอาไว้เช่นบุคคลที่ทำบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะอะไรเพราะก็มองเห็นว่าเขาได้ทาบุญไว้เป็นคนประเภทที่ไม่กลัวต่อปรโลก คือตายไปเมื่อไรก็ก็เมื่อนั้นคือมั่นใจว่าตัวเองไม่ตกนรกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นหลักเป็นหลักที่สามารถกระจายคุณธรรมความดีเป็นหลักใจเป็นเรนใจของบุคคลเอาไว้เพื่อรักษาคุณภาพจิตให้พองใสไม่จิตพองใสอยู่ก็หวังได้ว่าตายไปแล้วย่อมบังเกิดในสุคติแน่นอนต้องฟังทั้งหร